เราเกิดมากับสิ่งจอมปลอมไม่ว่าใครๆทั้งนั้นรวมทั้งสัตว์ทั้งบุคคลพวกเดีกันยังไม่มีความจริงเข้าจะเสื่อจิตใจได้ใจจึงปลอมทั้งดวงสิ่งที่เป็นเครื่องใช้ของใจจึงปลอมมาตามกันความรู้ความเห็นความคิดในแง่ไหนทั้งอดีตปัจจุบัน อนาคตทั้งทางนี้ต่างตาังจมูกทางลิ้นทางกายและอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากใจม้วนแน่ตั้งแต่ปลอมทั้งนั้นเพราะไม่มีของจริงออกมาแสดงตอนนั้นมีแต่ของปอมถ้าหากว่าในร้านก็เป็นร้านของปอมทั้งหมดของจริงอยู่โน้นอยู่หลังร้านหนึ่งถูกของปลอมปิดไว้อย่างนิ่งคิดอีกด้วย จึงไม่สามารถแสดงตัวได้เพราะฉะนั้นเวละท่านประกาศสอนธรรมว่าสัาจะทําเป็นของจริงทงั้งๆที่ได้ยินว่าสัาจะทําเป็นของจริงแต่ใจที่รู้สึกในสัจธรรมขณะที่ฟังว่าทําเป็นของจริงนั้นมันก็ปลอมอยู่ปลอมอยู่โดยดีเพราะจิตยังไม่จริง อะไรจะกินก็ําเมื่อเข้ามาสู่ของปรอมแล้วมันจะปรอมไปตามๆกาันหมดเพราะของปลอมมีอำนาจมากอะไรสัมผัสก็ตามความรู้สึกนั่นจะปรอมไปด้วยไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะออกมาจากจิตปลอมๆอยู่แล้วภายในใจิตใจจะให้เป็นของจริงขึ้นมาได้อย่างไรการรึอฝืนการขึดคน้นการปลดเพื่อการแก้ไข สิ่งจำฟอร์มทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องใช้ความพยายามอยู่ไม่น้อยแต่จะลําบากยากเย็นสักอย่างไรก็ตามอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความจงใจของผู้จะทำของยากก็กลายเป็นของง่ายขึ้นมาเพราะทําด้วยความพอใจทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทําด้วยความพอใจแล้วยากก็กลายเป็นของง่ายขึ้นมาหนักก็กลายเป็นเบาขึ้นมาเพราะจิตใจมีความเบา เบาด้วยความพอใจที่จะทําในกิจการนั้นๆันนิดหนักนั่นไม่ยกอะไรมันก็หนักตามธรรมชาติของจิตเขากิเลศเป็นของหนักอยู่แล้วเช่นอยากจะทําอะไรนี้ที่เกียดทําเสียเนี่ยทั้งๆที่ในขนาดนั้นมันยังไม่ได้ทําอะไรเลยคิดว่า ง, งานนั่นจะหนักงานนี่นจะลําบากไปแล้วคือความคิดนี้มันหลอกเราเลยไม่สามารถที่จะทจํากิจการนั้นนั้นไปได้ การฝึกการอบรมจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอาศัยความบึกบึนการเหตุกลางผลไว้แล้วอา่านตามเหตุตามผลมเรื่อยๆพยายามบึกบืนหรือเกีสกะกายไปตามเหตุผลนั้นจะยากลําบากเป็นไงเพราตามเหตุผลนี้เป็นที่ต้องใจคือเหตุเป็นเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักความจริงเป็นที่ต้องใจสนับผำหรังผู้มุ่งความจริง แล้วก็พยายามดำเนินไปนั้นอีกอย่างก็สามุกรฤคูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่และองค์ละองค์ที่ปรากฏชื่อนามให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชา ม, มาโดยลำดับจนมาะทั่งปัจจุบันนี้รู้สึกจะเป็นผู้ได้ฝ่าฟื้นอุปสรรคแลวความลำบากลําบนมาเสียจนแทบเอาอชีวิตไปไม่รอดนะแต่พื่ออย่างยิ่งก็คือท่านอาจารย์มั่นจะมีใครในสมัยปัจจุบันนี้เหมือนองค์ท่าน ในครั้งพุตตการก็ยกพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นประธานเป็นสักขีพยานยืนยันในเรื่องความทุกข์ความลําบาก ท, ทุกสิ่นทุกอย่างถึงขั้นสลบทลายมาสมัยปัจจุบันก็มีท่านอาจารย์มั่นที่เป็นสักขีพยานยึดเป็นแบบเป็นรเทป บ, บอันดีแก่บรรดาลูกศิษย์เวลาท่านน้อยฟังหน้าเปิดความโลรดสังเวชเป็นนานๆท่านจะเล่าให้ฟังทีนะเพราะเรื่องเหล่านี้มันแค่แต่จะสัมผัส ท่านไม่ได้เหมือนเราไม่มีอุปาทานไม่มีความอยากพูดนั่นอยากพูดนี้อย่างสามัญชนธรรมดาทั่วๆไปท่านพูดด้วยธรรมพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดมากพูดน้อยพูดหนักพูดเบาพูดทนิดไหนอยากละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนเป็นไปตามอัดตามธรรมตามเหตุตามผลที่ควรพูดเท่านั้นท่านไม่พูดด้วยความอยากความทะเยอทานความหลมเมื่อหลมตัวเหมือนอย่างคนทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเรื่องของท่านที่จะนํามาพูดแต่ละครั้งนี้หากว่าไม่ เข้าไปข้ำผัดในเรื่องนั้นท่านจะไม่นาเรื่องนั้นออกมาพูดเลยเหมือนท่านไม่เคยดำเนินมาแต่เวลาท่านเล่าให้ฟังโอ้ห์นีาอัศ จ, จ, จันย์บางทีน้าตาร่วงคือสงสารท่านท่านดำเนินปฏิปทาเข้าผปอยู่ในป่าในเขาแต่ก่อนมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นบ้านคนไปตั้งวันก็ไม่เจอที่ดีนอนอยู่ตามป่าทางเขาตาม ทางด่านโขดถงช้างกั้งคืนเสียงปุ่นปังตุงปั ง, ง, ง, งมาท่านกดทนฮึดดูทุกวันนี้ไปที่ไหนมีแต่ป่าคนไม่จะมีป่าไม้ภูเขาก็สักแต่ว่าภูเขาเฉยต้นไม้ไมบหยากที่ใช้เกิดความชุ่มยืนดื่มจิตดื่มพาระจิตในใจมันก็ไม่มีคมันมาก การประกอบความภักเพียนก็เป็นความไปด้วยความสะดวกสําหรับผู้มุ่งต่อธรรมอย่างนั้นอยู่แล้วการขบการฉันการภักอยู่อาศัยนี้จะให้เป็นความสะดวกสบายไม่มีหายากเต็มที่แต่พราะท่านไม่ได้สนใจกับความเป็นเช่นนั้นท่านสนใจต่ออัตธรรมน่าจะําบากําบากยากเย็เนเพียงไระการท่านก็พอใจที่จะอยู่พอใจที่จะไปพอใจที่จะขบจะฉันในสิ่งต่างๆที่ เป็นเป็นปัจจัยเครื่องอุณหภูนิธาตขันให้พอเป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งท่านพอใจทเพียงเท่านั้นท่านไม่มีความทะเยอทะยานให้มากขึ้นกว่านั้นไปท่านจึงอยู่ด้วยความพาสตุเกียรติบำเพ็ญธรรมด้วยความสะดวกกายสบายใจบางทีไม่ฉันทหารก็มีเพราะไม่พบหมู่บ้านคนไม่ฉานท่านก็ไม่วิตกวิจาร์เนี่ยเพราะเคยอดมาแล้ว น, นั่นไม่ฉันทั้งหลายายวันก็เคยมาแล้วยอบเพียงวันสองวันที่ไม่ พบบ้านผู้บานคนตัมี้ปัญหาอะไรไงท่านตัดเอาหมดจะปัญหานี้เพราะท่านเคยผ่านมาแล้วเรื่องความทุกข์ความลำบากความหิวความโหยที่ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเดินไปทั้งวันเป็ น, ปนการเดินจงกรมไปทั้งวัน่นะกํำหนดพิจารณาอัดพิจารณาทําไปเรื่อยๆถึงที่ไหนคนจะพักก็พักคนจะนอนก็นอนไปบ้านใดที่เป็นสถานที่เหมาะสมมีน้ํามีท่าเป็นที่สะดวกสบายในการมันเป็นพนักงานทก็อยู่ที่นั่นเสีย บางบางแห่งก็สามเดือนสี่เดือนก็มีแน่แต่วความสะดวกในการบำเพ็ญบางแห่งก็เดือนหนึ่งก็มีบางแห่งก็จำพรรษาเลยก็มีนี่เป็นความลาบากเพราะคนสมัยที่ท่านทเที่ยวกับมัฐานนั้นรู้สึกจะไม่ทราบเรื่องการปฏิบัติการดําเนินของท่านและการความเป็นอยู่ปูวายของพระธรรมฐ า, านเลยเราจะเห็นได้ในที่บางแห่งที่ท่านเล่าให้ฟัง เขาไม่เคยเอากลับอะไรใส่บาทเลยท่านนอกจากเขาจะมีกล้วยเขาถึงจะใส่หรือเปลือกมันเขายังยอใส่ถ้ามันมีนั้นเขาไม่ใส่เขาเชื่อพระกรรมฐานท่าไม่ฉันงมอฉันตาฉันันจะถั่วเป็นงาเข้าไว้อย่างนั้นถั่งนาเขามีเพราะเขาทําไรมีมีถั่วมีนาเอามาให้ฉันฉันไปอย่างนั้นแหละท่านว่าไม่เป็นกังวลถ้าดูนานไปนานไปก็เขารู้เรื่องรู้รายแล้วเขาก็ การจัดมาถวายหนูจะลําบากแค่ไหนเราที่ดีการบเร็คของท่านเรื่องความภาเพเปลี่ยนท่านไม่มีการบกพร่องทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นตลับเท่านั้นเป็นความเปลี่ยนของท่งนทงานตลอดเวลาไปด้วยความป๋าสุดอยู่ด้วยความป๋าสุดภาราคขาดตกบกพร่องไม่สําคัญยิ่งกว่าการภาวนาขอให้อนี้สมบูรณ์เป็นลําดับธรรมดา น, ยาบบนาิยบุตรต่างๆหีูเป็นความ ขนใจนี้เป็นความประพฤติปฏิบัติของครูบาอาจารย์มีท่านจันม่านเป็นต้นทีท่ผ่าน ม, มายากลาบากเปียงไรถ้าเราจะมาเทียบในพระสมัยปัจจุบันนี้เส้นอย่างพวกเราแต่พ่ออย่างนี้วัดตอบบัญญัติเต็มไปด้วยบิ่นบมุมบมเนยทั้งหลายให้มัจฉ า, า, า, าตายได้ตายหมายว่าตายในธรรมแหละทำมันหมอบทำหมอบทำจะเลยไม่ได้ตอนในกศิษ บ, บอกถ้าเนมนมาองค์ก็จะไม่เข้าใจ หาอุบายวิธีหลเลี่ยงตนเองด้วยอุบายต่างๆคำว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงใครคือหลีกเลี่ยงที่เดีดยงตัวเองนั่นแหละชั้นมากเป็นยังไงให้สังเกตชั้นมากไม่ใช่เป็นของดีอันนั้นกดปมตือเข้ามาอันนี้ปมตือเข้ามาอันนี้แตเรื่องปมตือมมีแต่เรื่องลิ้นเรื่องปากเรื่องอันเรื่องทําไม่นีนี่เรามามุ่งหาอาัธธรรมแล้วทำเจริญไหมกองข้ามมีแต่ยื่นแต่ปากคุณเรื่องเจริญท้องเจริญปากเจริญ อะไรที่เป็นเครื่องปลอมปูร่างกายที่เป็นการครอบคลุมเจเดีย์ลดเป็นเหตุให้นอนใจถึงนั่นจะเดินอาจทำไม่จะเดินแล้วสมความมุ่งหมายที่มาแล้วเหรือการพิจารณาเอ า, าผู้ปฏิบัติธรรมต้องคุ้มคู่หาความสาลดัดใจตนคนโง่และจมไปทั้งนั้นแหละไม่ว่าโรคว่าทำจมไปได้วยกันเพราะควาโง่ไม่เคยทำคนให้ดีเลยทางในสอนไว้เสมอเขาเลยลายจึงต้องสอนเพราะสิ่งเหล่านี้มีการทับผมจิตใจได้ ร่างกายสับใจเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันเมื่อร่างกายมีกําลังมากก็เป็นการที่จะเปรียดให้ทับถมปิดใจปิตใจก็ก้กาวไม่ออกถ้าร่างกายมีกําลังน้อยร่างปิดใจภาวนาก็ขยืดขึ้นไปโดยลําดับเช่นอย่างท่านอดอาหารอเนี้่องค์ไหนที่ท่านรู้นิสยัยในการอดอาหารว่าเป็นประโยชน์นะครับผลดีท่านก็ผ่อนมันท่านไปเรื่อยอดยไปเรื่อยอย่างที่เห็นไหมงานมั น, น, นกันอย่างเนี้ย การฉันกางไม่ฉันฉันมากฉันน้อยมันต่างกันอย่างนี้เองผู้สังเกดต้องรู้ในการแก้ทิ่เละการฝึดการทรมานการทั้งมากี่เละจึงเป็นความทุกข์ลำยำบากอยู่ไม่น้อยแต่การต่างสมทีเละนั้นพราะที่เละทาให้เป็นมันเป็นความพอใจทั้งนั้นแหละแต่การแก้ทิเละนี้เป็นความไม่พอใจจากแก้นอกจากเราจะได้เห็นผล จากการแก้ไปบ้างพอสมควรแล้วจะมาทั้งถึงเห็นผลมากไปโดยลำดับนั้นจะมีความพอใจสืเู่งไปโดยลำดับและเพิ่มกำลังมากขึ้นในการแก้ทิเลศในขั้นเริ่มแรกนี้มันจะไม่สนใจอยากจะแก้แ่นอกจากเป็นผู้มีพื้นเพย์อันดีมีความค่ายต่ออัตตาธรรมอยู่แล้วก่พ็ยพยายามการส่งเสริมทิเลศกับการแก้ทิเลเนี่ยมันมันมีน้ําหนักต่างกันผู้ที่มีความพยายาม การแก้กิเลสต้องใช้ความพยายามทุกอาการของจิตทุกเอียาบบแต่การส่งเสริมกิเลสนี้พยายามหรือไม่พยายามก็ตามมันเป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วมันเป็นไปได้ง่ายเหมือนกับเราเท น, น้ําลงจากบนเขาไหลตเตลิดเติดตตไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นของง่ายพปัญหาการประกอบความทักเพียนเพื่อแก้กิเลสนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากบ้างเป็นธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามยากกับง่ายก่็ เพื่อจะรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์เพราะอํานาจของกิเลสกดขี่บังคับออกไปได้โดยลําดับลำดับจึงไม่มีความเสียหายชีวิตของเราก็มีเท่านี้แหละเราได้มาเท่านี้โดยการไม่มีจะได้มาจากที่ไหนอีกจะจะขอมาเพิ่มมาเติมอีกก็ไม่ได้แต่ละคนละคนไม่มีเท่าตัวเราจะพยายามเสียตั้งแต่บัดนี้ถึงจนกระทั่งถึงวันจิ้นลมหายใจเราก็ไม่พอจะขาดคืง เรายังก็ได้กาไรเพิ่มเติมเพืปิดโดยลํำดับบจนกว่าจะหาไม่ในชีวิตนี้ทีวิตที่เอไปทิ้อเปล่าหาประโยชมา ไ, ได้เลยนั่นมีจํานวนมากม า, กายหลกองร้อยจะหาตั้งหนึ่งผู้ที่มีชีวิตอันเป็นสารานี้ลีกจะหายากมันจะน้อยเหมือนกันร้อยตัวหนึ่งก็ยังจะไม่ได้ว่าพันนับดูที่คนจำนวนสี่ล้านในประเทศไทยนั้น อุทิศภาระคุณนารจิตใจได้ทั้งหลักภายในได้ทั้งหลักภายนอกรู้ทั้งเหตุทั้งผลทั้งอัดทั้งทำทั้งลงโลกลงสารนี่มันหายากอย่างมากขอรู้แตปากะจำได้จต่ปากเียนไปจนน้ำลายตัวเองนี่อกนเป็นการถังสมกิเลสเพราะการเียนเพราะความรุ่งตัวเองเปิดความน้ําพันขึ้นมามาจนรู้จนหลักเป็นนักป่าแต่เยอะนั่นก็เยอะทั้งทั้งที่โง่เต็มตัวรวมหน้าของกิเลสครอบไม่รู้จุดตัวมีมาก เัื่งว่าหาสาระภายในจิตใจมันหายากเวลานี้เรากําลังหาสาระสำคัญทห้พันให้แก่จิตใจของเราโดยการสุขสนอบรมคือิตทีเท่านี้แล้วหมดไปทุกวันทุวันเมื่อวานนี่ก็หมดไปวันหนึ่งแล้วเรามาอยู่นี้สี่วันนั่นก็หมดไปเท่านั้นวันชีวิตของเราหมดไปเท่านั้นไงแล้วยังเหลือ อ, อีกสีวันมันหมดไปหมดไปไม่ได้เพิ่มมาความเพียนงเราที่จะ พยายามให้ได้ตามในล่ําเวลาที่ผ่านไปนั้นเป็นเรื่องของเราที่จะคิดนพน้นภานตัวเองให้มันเป็นที่แน่ใจส้าของอ่ะเป็นสาคัญที่สุดยิ่งกว่าใครจะไม่ให้ความยืนดันแน่นอนแต่ตนเองธรรมะสั้นพิถพิโกนั่นพระพุทธเจ้าประกาศความจริงเข้าสู่จิตใจของเราเมื่อปฏิบัติถึงเหตุที่ควรจะรู้ถึงผลที่ควรจะได้รับจะได้รับจะได้รู้ประจากษ์ตนเอง เป็นกระทั่งปล่อยวางได้คําว่าปล่อยวางได้คือไม่หวังพึ่งใครทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าท่านจะยังทรงพระชนอยู่ก็ตามไม่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าจะเป็นการประมาทพระพุทธเจ้าหรือไม่ความรู้ความเห็นแคนี้ไม่ประมาทพระพุทธเจ้าพยุงนะครับพยุงในขณะที่เรายังพึ่งตนไม่ได้ ต้องพยายามสั่งสอนอัดทำทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นพระนันทะเป็นต้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงตะกันท่านันทะตอนออกบวชทีื่อแนะนำสั่งสอนหลายครั้งหลายหนจนพระนันทะมีความรู้ความเฉลียวฉลาดสามาร ถ, ถ่อดถอนตนให้พ้นไปได้หมดการพึ่งพิงพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้กราบูมนพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์หายสงสัยแล้วในงา น, นที่จะ ที่พระองค์จะต้องรับประกันหรือรับรองข่าพระองค์เราตถาคตก็เช่นเดียวกันนะเราก็หมดภาระในการที่จะรับรองเธอเช่นเดียวกันกับเธอรับรองเธออยู่แล้วหรื อ, อว่าเราเป็นผู้หมดฐานะที่จะรับรองเธอเช่นเดียวกันนะนี่เมื่อถึงขั้นนี้แล้วคือขั้นที่ทุ่มตัเองได้แม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ ตรงหน้าเราก็ตามเราก็ไม่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าเพราะความพึ่งเราความแน่ใจให้เราตามหลักธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้เพื่อให้พึ่งตนเองนั้นก็จัดเป็นหัวใจของเราแล้วนี่เป็นท่าปร ะ, ปะสงค์ของพระพุทธเจ้าด้วยจึงไม่เป็นการผิดว่าประมาทพระพุทธเจ้าแต่อย่างใดติดต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นพึ่งตนเองได้แล้วแน่อย่างนั้นเองไม่มีอะไรจะแน่ยิ่งกว่าจิต เวลาจริงไม่มีอะไรจะจริงยิ่งกว่าจิตเวลาปลอมไม่มีอะไรจะปลอมยิ่งกว่าจิตแต่ในขณะที่เลือดมันครอบคุมอยู่ภายในจิตใจนี่มันปลอมไม่หมดทั้งที่กล่าแล้วที่แรกนั่นเองทางหูทางตาทางจมูกทางลี้ยงทางตาทางตลอดถึงทางใจเองที่เป็นที่ออกจากใจเป็นทางเดินของใจไปทางหูต่างๆกระทบผู้เสียงสิมรดเครื่องสัมผัสมี้ตั้งแต่เรื่องปลอมทั้งนั้นเพราะจิตฟ้าให้ปลอย พอถึงขั้นรู้ด้วยสติปัญญาตัฏฐาความเพียรตั้งตนได้บากบานนั่นหันหน้าก็าโดย ด, ำ ด, ำดำั่มดับมีกําลังขึ้นพลานจิตใจแล้วก็เรื่องความปลอมอย่นั้นก็ค่อยหมดไปหมดไปความจริงค่อยเด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาคําว่าสัาจธรรมเป็นของจริงทางที่ท่านสอนไว้ในสตำหนักตานาแต่ก่อนเราก็ไม่เห็นเป็นของจริงเพราะที่เดชไม่พาให้จริงขั้นแล้วก็จริงขึ้นมาด้วยอานแห่งธรรมพาให้จริงหนักถ้าธรรมพาให้จริงจริงได้ทุกอย่าง กิเลสทำให้ปลอมปอมได้ทุกอย่างเพราะกิเลสเป็นของปลอมอยู่แล้วปลอมจากความจริงเหมือนทำปลอมจากสาระปุินึ่งเป็นเรื่องปลอมไปหมดเมื่อไดชำราแต่สางตนเป็นกติกําลังความสามารถความจำปลอมนั้นก็หมดไปหมดไปรากฏแต่ความปรากฏแต่ความจริงขึ้นมาทุกก็เป็นของจริงรู้กันอยู่อย่างชัดๆว่าทุกในส่วนไหนร่างกายนี้ส่วนไหนเป็นแสดงอาการเจ็บปวดแสบร้อนก็รู้มันอยู่ว่ามันเป็นทุกในจุดนั้นจุดนั้น เรามาไปถือมั่นในความทุกขานั้นรู้ตามเป็นจริงของมันที่มันเป็นทุกข์แต่ทุกอาการใดก็ตามพอรู้แต่ชัดทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในส่วนร่างก า, ก, าก็ทราบทต่ชัดว่ามันเป็นสุขตามสภาพของมันเฉยเฉยก็ทราบว่ามันเฉยเฉยมีส่วนหนึ่งของเวทนาอ้าวจิตมันมีความสุขเพราะเรื่องอะไร แยกแยกให้เห็นชัดตามความจริงของมันมันทุกข์เพราะเรื่องอะไรเพราะอารมณ์อะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ธรรมราจิตก็ต้องมีสาเหตุเช่นเดียวกับร่างกายคือร่างกายของเราก่อนจะไม่สบายในธาตา ข, นขนันตต้องมีสาเหตุอันหนึ่งขึ้นมาให้เกิดความไม่สบายเป็นเจ็บท้องปวดหัวมีอะไรเป็นสาเหตุให้เจ็บท้องปวดหัวได้นั่นก็เป็นสาบาติสมุทยัยก็เรียกว่าสมุทยัยคือสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์แต่ร่างกายมันมีสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์แต่จิตใจมันมีคือพ่เรศ ก็ทราบแยกแยกกันออกให้เห็นทัศจิเวทนาทางจิตนั้นก็เป็นเวทนาอันหนึ่งเช่นเดียวกับเวทนาทางกายมันก็เป็นของจิตอันหนึ่งเช่นเดียวกันจะไปหลงกันได้ยังไงความทุกข์สาเหตุมันให้เกิดทุกข์มันมีอยู่ภายในจิตมันจึงเกิดทุกข์สาเหตุแล้วก็เท่าบเป็นกิเลสเป็นชาติสึกต่อจิตใจอยู่แล้วทุกก็ทราบว่าเป็นผลของกิเลสซึ่งเป็นช า, าติสึกเช่นเดียวกันกับเรื่องของกิเลส เป็นสิ่งที่เราจะต้องแยกแยะเป็นสิ่งที่เราจะรู้สึกตัวว่ามันเป็นทิศเป็นภยัยหรือเป็นค่าสุบ ต, ตัวเองเราจะไปสัมพันสมั่นหมายหรือไปยึดไปนเหยียเอาสิ่งนั้นมาเป็นตนได้ยังไงก็เช่นเดียวกับปไปยึดไปมาเผาตัวเองนั่นแหละปัญญาแยกแยะขัญญนอย่างนจนกระทั่งจิตเป็นจิตล้วนๆอะไรก็จริงหมดทุกข์ที่เคยปลอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่วันเกิด คำดั้งยุวิยานสอนวาเป็นความจริงเป็นสัจ ธ, ธรรมมันมันก็จริงขึ้นมาตามบุคคเจ้าว่าสมุทัยก็จริงมรรคก็จริงนิโรธก็จริงเมื่อจิตจริงเพีดวงเดียวเท่านั้นอะไรจริงหมดจิตตรอมเพียงดวงเดียวเท่านั้นอะไรก็ปลอมหมดเนี่ยเพราะอะไรทึ่เป็นอย่างนั้นเพราะจิตเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในโลกกระธาตอันนี้จิตแต่และดวงละดวงของบุคคลแต่และคนละคนเหนโลกเกิด ความวุ่นวายและตำราายกันอย่างทุกวันนี้เป็นเพราะเหตุอะไรสาเหตุมันก็มีอยู่ที่ใจของโรกมันร้อนปัญหาที่ยึดที่เหนี่ยวไม่ได้เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหงาาุดหงิดตันหาเต็มไปหมดยิ่งมีอำนาจวัศนาเข้าส่งเสริมกันแล้วอันนี้ก็ยิ่งกำเริบเจอสายที่เดิมดับเพราะจปนงสนับสนุนโลกมันก็ยิ่งร้อนเนี่ยถ้าเป็นโองของจีเลียสมันเป็นอย่างเงี้มันร้อนมากออกจากใจนั่นแหละถ้าใจมีความเห็ถูกต้อง ตามเหตุตามผลแม้ทางโลกก็มีความพาสุกเย็นใจมีความสงบสุขได้คือเป็นอะไไปดูกับใจที่เห็นเหตุเห็นผมเท่านั้นเอง่เดินเข้ามาถึงตัวของเราเองทำไมจิตใจจึงรุ่มร้อนร้าสัมสายวุ่นวายก็เพราะกิเลสมันแสดงตัวมันมีรวดลายต่างๆแสดงออกมาผลของมันก็คือความทุกข์เทาโรจิตใจของเราเขามีปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องดับไฟ ทีเลทันหาอาสะวะมีสติมีปัญญามีความเพียนหนุนหลังเข้าไปแก้ขันเข้าไปจนเห็นความจริงที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งเป็นความจริงล้วนๆู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ากิเลสอันเป็นของปรามนั้นเข้าห่มหอบปิดบังพนัทเองจึงไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนั้อย่างเต็มใจนี่เป็น ว, วาระของเราที่จะสั่งสมคุณ ง, งามความดีส่งเสริมสติปัญญาให้มีกําลังเพื่อ กดเครื่องตอนเองเพื่อถอนถอนตอนเองจากหลุมลึกคือกิเลสอาสวั์ทั้งหลายนับตั้งแต่ธาตุจตกขันเข้าไปมันเป็นหลุมลึกท่านั้นถ้าเราไปติดมันมันเป็นพุูนเป็นไปไปด้วยกันท่านั้นถ้าเราไปติดถ้าไม่ติดมันก็ไม่เป็น อ, าอ่างนี้แค่เรื่องของกอมของจริงมาทันทั้งหลายด้วยนี้พิจารณา แจกขายตัวเอตันเองเคยเห็นบอกทุกคนต้องเปลี่ยนชนีด